พระบัญญัติ 1,126 ก็ภิกษุณีใดบวชให้กุมารีผู้มีอายุครบ20ปีผู้ยังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรม6ข้อตลอด2ปีต้องอาบาดปลายเจ ต, ตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ